เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉัน ดังนั้นเราจึงองค์การแก่เขาให้ต่อเรือภายใต้การดูแลของเราและคำสั่งของเราและเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึงน้ำในเตาก็จะเดือดพุง่ง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 ครั้นเมื่อเจ้าและผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วจงกล่าวถืดว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอ์ผู้ซึ่งให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนที่ผู้อาธรรมว่ากับอัลลออันอัลนอัลนอัลันอัลล ر ฮ์อัอันนน และจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันขอพระองค์ส่งให้ฉันลงจากเรืออย่างมีความจำเริญและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ที่ให้ลงจากเรือแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณเตือนสติมากหลาย และถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ทดสอบปวงเบาของเราก็ตา ม, มามมตแล้วหลังจากพวกเขาเราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอัตแลหลังจากพวกเขามาได้บัิดอลุมห น, นึ่งคอกอัต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 ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงพระองค์หรือ وقَالَ َ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ و َ ال أ َ ت ْ ر َ ف ْ ن َ ا, ا ه ُ م ْ فِي الْحَيَاةِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا و َ أ َ ث ْ ر َ ف ْ ن َ ا ه ُ م فِي ا ل ح ي ة ِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 ลลล ال แล้วเสียงกำมานาศก็ได้พลานชีวิตของพวกเขาไปจริงๆแล้วเราได้ทำให้พวกเขากลายเป็นเศษขยะดังนั้นความห่างไกลาจากเมตตาขอเลาะจึงประสบแก่กลุ่มชนผู้อาถรรพ์มมแล้วหลังจากพวกเขานั้นเราได้บังเกิดกลุ่มชนอีกหลายกลุ่ม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 ไปอย่างฟิร์อาอและบุคคลฉั้นหัวหน้าของเขาแต่พวกเขาก็ยะโสโอหังและพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่เยอะยิ่งจงหงษ์พวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัท ธ, ธาต่อบุคคลทั้งสองที่มีสภาพเช่นเดียวกับเราได้อย่างไรและกลุ่มชนของเขาทั้งสองก็ยังเป็นทาส ร, รับใช้เรา uh <in> ฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย um ah <oon> และแท้จริงเราได้ประทานคำภีเตารอนให้แก่มูซา เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางนําที่ถูกต้องและเราได้ทําให้บุตรของมารยำและแม่ของเขาเป็นสัญญาณหนึ่งและเราได้ที่พักพิงแก่เขาทั้งสองณที่ราบสูงแห่งหนึ่งใบตุลมะการิศซึ่งเป็นที่พักที่สะดวกสบาย ยาเออยหบรุ่นคลุมินอัตติบัติว่ามนลสัตย์ฮาอินนิบมาทำมานูนอาลิมโอบันดาศาสนาทูตพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีและจงกระทําความดีเถอะเพราะแท้จริงข้ารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา แท้จริงประชาชาติของพวกเจ้านี้เป็นประชาชาติเดียวกันและข้าคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด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 พวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาเช่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้ น, น ات, ถือเป็นการเร่งให้ความดีแก่พวกเขากระนั้นหรือเปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาไม่รู้สึกกลัอัลลีนะมมินคัชยะิรอบบมมุชฟิกูนแจริงบรรดาผู้ยำเกรงเนื่องจากความกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาวัลดีนะฮบิอายาติร็บบิฮิมยูมินูน และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาลบบและบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งพาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเข า, า, านนรรับ และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่จิตใจของพวกเขาเปลี่ยมไปด้วยความหวั่นเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเขาชนเหล่านี้แหละจะรีบเร่งในการประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรรุดหน้าไปก่อน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 โดยที่พวกเขาไม่ถูกอาธรรมเลยลตแต่ว่าจิตใจของพวกเขาอยู่ในปลักแห่งความงมงายจากอัลกุรอานและสำหรับพวกเขามีการงานอื่นอีกโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน إ أ จงกระทั่งเมื่อเราได้เอาชีวิตพวกที่สุขสำราญในหมู่พวกเขาด้วยการลงโทษเมื่อนั้นพวกเขาก็โอดครวญร้องขอความช่วยเหลือ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 แล้วพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลัก บ, บลพวกเขายะโสโอหังต่ออัลกุรอานพวกเขาจับกลุ่มกันสนทนาในเวลากลางคืน أ آ พวกเขาไม่ได้พิจารณาดู พระดำลัดดอกหรือหรือว่าในมีมายัางพวกเขาซึ่งสิ่งที่มิได้เคยมีมายัางบรรพบุรุษของพวกเขารุ่นก่อนก่อนถ้าไม่รู้รอมพลาุแต่ทำเรื่องโรคหรือว่าพวกเขาไม่รู้จักศาสนาทูตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต่อต้านเขาถ้มอ분 nder nhiều เจิงเมี่ยราเข หรือว่าพวกเขากล่าวหาว่าเขาเป็นบ้าไม่ใช่เช่นั้นดอกเขามูัหมัดได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้เกลียดชางความจริงิ ห ล, ลังความจริงสอดคล้องไปกับอารมณ์ไฟต่ําของพวกเขาแล้วบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นจะต้องเสียหายอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่าเราได้นําข้อเตือนสติของพวกเขาคืออัลกุรอานมาให้พวกเขาแล้วและพวกเขาเป็นผู้หันหลังกลับให้กับข้อเตือนสติของพวกเขานั้น หรือเจ้าขอข้าจ้างในการเผยแพร่ศาสนาจากพวกเขากระนั้นนึอแต่กาตอบแทนของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นดียิ่งกว่าและพระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้ประธานปัจจัยอย่างจีบ และแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันเที่ยงตรงสู่ศาสนาอิสลามและแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศัทธาต่อวันประโลกนั้น พวกเขาเป็นผู้หันหลังออกจากแนวทางอันเที่ยงตรงและหากเราเมตตาต่อพวกเขาและเราได้ปลดเปลื้งความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็ยังคงมั่วสุมอย่างคนตาบอดอยู่ในความชั่วต่อไป และความจริงเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยการลงโทษแต่พวกเขาก็หาได้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาไม่และพวกเขาก็ไม่ยอมทมตนหณะท่ถ้าเราเปิดประตูสู่การลงโทษที ا ب ุนแรงถ้าพวกเขาอยู่น จงกระทั่งเมื่อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษที่รุนแรงแก่พวกเขาเมื่อนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้หมดหวังไปเสียแล้วและพระองค์เป็นผู้ทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งการฟังและการเห็นและหัวใจเพื่อเข้าใจ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 ว ا أ พวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินและกระดูกก็ป่นเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือลวกกดอบบ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 และผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นของใครหาพวกเจ้ารู้พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอ์จงกล่าวเถิดมัฮัมมัดว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจะไม่ใข่ครควญดุ้จงกล่าวเถิดมัฮัมมัด ว่าใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและเป็นเจ้าของบันลังอันยิ่งใหญ่พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าถ้าฉะนนั้นพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงพระองค์หรือ คุลมันบิยดิฮีมละกูทุกลิเชี่ยนว่าูัวยุจีรรวะล่ายุจารอัลัยหิอินคุนทุมต่อละมูลจงกล่าวเถิดมวมัดว่าอำนาจอันกว้างใหญ่ไพยสารเหนือทุกสิ่งอยู่ในพระหัติของผู้ใดโดยพร่องเป็นผู้ทรงปกป้องครุมครองและจะไม่มีใครปกป้องพร่องหากพวกเจ้ารู้ พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอ์จงกล่าวเถิดมัวมัดดังนั้นพวกเจ้าถูกหลอกได้อย่างไรถ้าทว่าเราได้นำเอาศัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้วและแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน Allah ไม่ได้ตัง้งผู้ใดเป็นพระบุตรและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับพระองค์ถ้าฉะนั้นพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเอาสิ่งที่ทนสร้างไปเสียหมด และแน่นอนพระเจ้าบางองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์อลอร์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่พวกเขากล่าวห า, า, ت ت ารพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งพนญานวิสัยและสิ่งที่มองเห็นได้พระองค์ทรงสูงทรงยิ่ง จากสิ่งที่พวกเขาตั้งเกันพักีจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์จะส่งให้ฉันได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสำทับไว้แล้ ว, บบวโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงใหญ่ฉันอยู่ในหมู่ผู้อาธรรมเลย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 เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาและจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าโอภพระผู้อิบาลของฉันฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของแชทต์และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่าน โอ้พระผู้อภิบาลของฉันให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ฉันจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งในพวกเขาเขาก็จะกล่าวขึ้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะ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 พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราความชั่วช้าเลวทรามของพวกเราได้เข้ามาครอบงำพวกเราและพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มชนที่หลงทานโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอาพรง้ได้โปรดเอาเรา ออกจากนรกด้วยเถิดถ้าหากเรากลับไปทำความชั่วอีกแน่นอนเราก็เป็นพวกอาธรรมพรองตัดว่าพวกเจ้าจงจมอยู่ในนั้นเถิดและพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าอีกเลย إِنَّهُ كَانَ مِّنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فَرِيقٌ عِبَادِي آمَنَّا يَقُولُونَ فَاغْفِرْ رَبَّنَا لَنَا وَارْحَمْنَا خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ถ้าจริงมีชนกลุ่มหนึ่งจากวงบ่าของข้าพวกเขากล่าวว่า โอพระผู้อภิบาลของเราพวกเราได้ศรัทธาต่อพระองค์แล้วขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและเมตตาแก่เราด้วยและพระองค์ท่านเท่านั้นทรงเป็นผู้เมตตาที่ดียิ่ง พวกเจ้าได้ถูกเหยียดหยามพวกเขาจงกระทั่งทำให้พวกเจ้าลืมนึกถึงข้าแล้วพวกเจ้าขวเราะเย่อเยยพวกเขาแท้จริงข้าได้ตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาแล้วในวันนี้เพราะพวกเขาอดทน แท้จริงพวกเขาเท่านั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลากี่ปีพวกเขากล่าวตอบว่าเราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวัน ขพรองโปรดถามนักคำนวณที่เชี่ยวชาญเถิดพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าไม่ได้พํานักอยู่เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพวกเจ้ารู้ พวกเจ้าคิดว่าแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาโดยไร้ประโยชน์และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระด้นหรือ a ล l a h ผู้ทรงสูงสรงผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสัจจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันทรงเกียรติ